ในพระราชพิธีทรงผนวดโดยที่สมเด็จพระสังฆราชวาสนมหาเทระวัดราชบพิษทรงเป็นพระราชอุปัทยาจารย์เจ้าพระคุณสมเด็จทรงทาหน้าที่เป็นพระอาจารย์ถวายพระธรรมวินัยตลอดระยะเวลาแห่งการทรงผนวด ใจน้อมกายตามรอยบูชาเธอทูลในพระบุญญาองค์สังคราชาไทยสมองค์พระอภิบาลราชนสมดังส่วนรวมศรัทธาด้วยหัวใจสมทําสายทานที่ยังร ลนนกล k l o n in paramita, s a m k บ y ด a k อ i t ramson.